มิินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาจะตุทวักอา น, นิเกตานาระยะการณปัญหาที่6ถามว่าห้าไม่ให้พิกษุยึดถืออะไรที่อยู่เหตุไรจึงพน า, นาอานิสงการสร้างวิหารถวายภิกษุเล่า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 หาอะไรที่อาศัยไม่ได้นี่แหละเป็นกิริยาอ น, นักปราตทั้งหลายเสพสมาคมคบหามีพระพุทธดีกาตรัส ด, ดังนี้ปุณะพาณิตังมาอีกเล่ากลับมีพระพุทธดีกาตรัสว่าทายกพึงสร้างวิหารที่อยู่อันเป็นที่สบายให้แก่ภิกษุทั้งหลายอันเป็นพรหูสูตรผู้ทรงพระไตรปิฎกอยู่ให้สำราญนี่แหละ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 จบเพียงนี้